นักภาวนาชาวกรุงพนักงานสตรีระดับบริหารสายงานวิศวกรรมศาสตร์รัฐวิสาหกิจกรุงเทพหลุงตากล่าวถึงสตรีท่านหนึ่ง เธอใช้ชีวิตที่ไม่แตกสางอะไรจากคนทำงานทางโลกทั่วไปเนื่องจากมีครอบครัวมีบุตรธิดาถึงสามคนยิ่งกว่านั้ น, นยังมีภาระหน้าที่การงานที่จะต้องบริหารและรับผิดชอบแต่ด้วยจิตใจที่รักและเห็นคุณประโยชน์อันใหญ่หลวง ของงานด้านจิตตภาวนาเธอจึงพยายามเจียดเวลาเพื่อเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาอย่างจริงจังฝึกสติอบรมปัญญาไปพ ร, พร้อมๆควบคู่กับการงานโดยไม่ยอมให้เสียงานทางโลกแต่อย่างใดยิ่งกว่านั้นยังทำให้ความคิดความอ่าน ในหน้าที่การงานดีขึ้นแจ่มชัดขึ้นอีกด้วยเพราะเต็มพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะความคิดความอ่านจึงไม่วู่วามตามอารมณ์หรือความฟุ้งซ่านสายแสของจิตใจเหมือนในขณะที่ยังควบคุมจิตได้ไม่ดีพอ เธอปฏิบัติเช่นนี้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมาหลายปีด้วยความภาคเพียรกระทั่งเห็นผลแห่งการปฏิบัติพอเป็นแรงจูงใจให้เพียรยิ่งยิ่งขึ้นครั้งหนึ่งเธอมีโอกาสได้เข้ากราบสนธนาธรรมกับหลวงตาที่สวนแสงธรรมในคราวท่านลงไปกรุงเทพ และได้เล่าผลอัศจริ์ของจิตที่เกิดจากจิตตะภาวนาถวายหลวงตาเป็นที่รื่นเริงในธรรมทั้งอาจารย์และสิทธิ์การผ่านไปเมื่อหลวงตาท่านกลับวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีแล้วตอนเช้าวันหนึ่ง ปลายปีพุทธศักราช2538หลังฉันจังหันหลวงตาท่านแสดงธรรมได้ระยะหนึ่งเนื้อธรรมที่แสดงนั้นได้ไปสัมผัสกับเรื่องที่ท่านได้สนทนากับสตรีท่านนี้ท่านจึงได้เมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่ามีพยานแล้วดังคำเทศต่อไปนี้ พอพูดอย่างนี้ก็ไปสัมผัสเรื่องหญิงคนหนึ่งแกภาวนาอยู่ตามประสีประษาของแกสุดท้ายเอาจริงเอาจังเป็นเข้าจริงๆเวลาเป็นเข้าจริงๆแล้วเห็นโทษของกิเลสนี้แหมแกว่าอย่างนั้นนะทำไมมันถึงร้ายแรงเอานักหนากิเลสนี่ รุนแรงมากทั่วสามแดนโลกธาตุกิเลสขยำคนฟังสิแกไม่ได้เรียนนะแกไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนทางอัตทางธรรมออกจากภาคปฏิบัติล้วนๆมองไปที่ไหนดูมีแต่กิเลสขยี้ขยำหัวสัตว์โลกเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าชาติชั้นวันณะใด มีแต่กิเลสขยำเอาโง่หัวไม่ขึ้นเลยสลดสังเวชบางทีก็กระซิบบอกเพื่อนฝูงบ้างบางคนพวกคลังกิเลสมันก็ไม่พอใจสุดท้ายจะทำภาวนาก็ต้องหลบหลบซ่อนๆไปทำอยู่ตามป่าตามอะไรเพราะทำงานอยู่ตลอดเวลาสติไม่ได้เผลอตลอดเวลา มันเป็นเองของมันคำพูดอย่างนี้ไม่เป็นจริงเอามาพูดได้เหรอต้องออกมาจากภาคปฏิบัติรู้จริงเห็นจริงสตินี้ดีดีจริงๆไม่ใช่ธรรมดาไม่วันไหวไม่ว่าจะทำการทำงานอะไรสติจ่อแล้วทำงานก็ทำไปตามเรื่องทำงานทางโลกก็ทำ ภายในก็ทำหมุนติว้วนั่นเห็นไหมได้ยินแต่หลวงตาบัวว่าหมุนติ้วติ้วนี่มีพยานแล้วนะเพื่อนฝูงเขาสงสารพอทราบว่าเราไปเพราะแกอยากพบครูบาอาจารย์อยากพบเราแกก็อยากพบพอดีแกก็มาจริงๆคนมากๆก็ใส่เรี่ยงเลยนั่นหลัก ขึ้นเวทีแชมเปี้ยนแล้วไม่ใช่เวทีธรรมดาซัดกันใหญ่เลยแกก็ออกมาอย่างกระจ่างเลยนะเปลี่ยงเปรียปร่ยงเปลี่ยงนั่นแหละความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นจากจิตใจไม่สะทกสถานนะแกก็ใส่มาเปรี่ยงเปรี่ยงทางนี้ก็ใส่กันเลยก็ทํากรมดํากำขาวไปอย่างนั้นแหละ แต่จิตมันดูดดื่มอยากทำตลอดไปแต่ทีนี้ก็ไม่ทราบว่าผิดหรือถูกประการใดบอกแกว่าถูกแล้วเอาเอาเลยนะรวมตัวแล้วทีนี้ฟาดลงไปถลุงมันตรงนั้นตรงนั้นชี้แจงเป็นระยะระยะเข้าไปแกก็พอใจเอาอย่างมากทีนี้ เป็นที่ตายใจแล้วเราะว่าตายใจหนะถูกต้องแล้วที่ปฏิบัติมานี่ถูกต้องแล้วแกนั่งภาวนาได้ถึงสิบสามชั่วโมงก็มีเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบสามชั่วโมงก็มีพิจารณาทุกขเวทนาทุกขเวทนาเป็นของจริงทุกส่วนเป็นของจริงแล้ว ไม่มีกระทบกระเทือนกันเลยจะนั่งตั้งกับตั้งกันก็ได้อย่าว่าแต่เพียงสิบสองสิบสามชั่วโมงเลยลุกออกมาเฉยๆนี่แหละจะนั่งตั้งกับตั้งกันก็ได้ไม่มีอะไรที่จะเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจได้เลยเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่คละเคล้ากันนั่นฟังสิแกพูด พูดอาหารเสียด้วยนะเราก็รื่นเริงเห็นผลของการปฏิบัติธรรมนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าพอปรากฏขึ้นในใจเห็นโทษของกิเลสเห็นจริงๆเห็นจนสลดสังเวชมองไปไหนไปไหนพิจารณาไปไหนแหมมีแต่กิเลสอย่างเดียวครอบงำสัตว์โลก ให้ดิ้นล้มดิ้นตายกันอยู่ไม่ว่าชาติชั้นวันณะใดแล้วโลกก็ไม่รู้ด้วยนะน่าสงสารอันหนึง่งแกว่าโลกก็ไม่รู้ด้วยนะมันขยี้ขยำจนจะตายก็ยังดิ้นเพลินกันอยู่คนมากนะวันนั้นวันที่แกมาหาเพราะไม่มีเวลาที่จะพูดโดยเฉพาะไม่ต้องเฉพาะฟาดเลย เราว่าอย่างนี้แหละแกเห็นโทษของกิเลสจริงๆเราไม่ตายให้กิเลสตายมีสองอย่างขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นเห็นโทษของกิเลสเห็นเต็มหัวใจเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นเต็มหัวใจทั้งสองอย่างนี้บรรจุเข้าสู่ใจแล้วเอาชีวิตเข้าแลกเลย ไม่มีความสะทกสะทานเรื่องกับความตายหมุนติ้วติวนี่หละคนหนึ่งจะไปได้ไม่นานละแน่แล้วเป็นผู้หญิงนะมีลูกสามคนแกก็เคยส่งปัจจัยมาถวายวัดนี้ประจำเดือนแกเล่าให้ฟังคนฟังนี่โหอ้าปากไม่งับแหละ ลืมตาหลับไม่ลงเพราะขึ้นตามหลักธรรมชาตินี่หมุนติว้วหมุนติว้วแกพูดเปรี่ยงเปรี่ยงเอาเปิดเปิดเอาเปิดเปิดให้หมดเราว่าอย่างนั้นนะเราก็หิวอยากฟังนี่นะมันมีแต่พูดคนเดียวเป็นบ้าอยู่พูดตลอดเวลาเพราะไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วย เหมือนบ้าพูดคนเดียวเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นบ้าพอดีได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นพยานเอาพูดพูดเลยเอาให้เต็มที่นะเราอยากฟังเหลือเกินธรรมะประเภทนี้พูดอย่างนี้แหละว่าไม่เคยได้ฟังเพิ่งจะมาได้ฟังนี่แหละเอาเปิดเลยพอแกเปิดแล้ว ตรงไหนเป็นจุดที่ควรจะแนะก็แนะแกะแนะแกะไม่ใช่แนะธรรมดานะตีเพรียงลงไปเลยเอาจุดนี้จุดนี้เอาเอานี่ละจวนจะไปไม่อยู่แล้วเป็นธรรมชาติแล้วเป็นอัตโนมัติแล้วหมุนเรื่อยหมุนเรื่อยเข้าจิตถึงขั้นนี้แล้วหมุนเรื่อย เห็นโทษของกิเลสเห็นจนจะสลบสไลก์กิเลสเป็นโทษแก่โลกขนาดไหนเวลาเข้าถึงตัวมันจริงๆแล้วจนสลบสไลก์โทษของมันทําให้เจ็บให้แสบให้เข็ดให้ลาบให้กลัวจนไม่รู้จักเป็นจะตายหลกกิเลสหนีกิเลสตายก็ตายให้ได้พ้นจากกิเลสก็แล้วกัน ให้พ้นพลมันก็บืนละสิพระพุทธเจ้าสอนเล่นเมื่อไรพวกเราไม่เห็นนั่นซิจึงได้ว่ากิเลสแหลมคมมากนาแกพูดแกก็เปิดเต็มที่เหมือนกันแกพูดด้วยความตื่นเต้นและ แกก็ไม่มีผู้ใดที่จะตอบรับแกอย่างนั้นเราก็ตอบรับเต็มภูมิเลยเพราะหิวกระหายอยากฟังมานานธรรมะประเภทนี้มีแต่ประเภทความจำจำได้ก็มาบ้านน้ำลายกันเหมือนนกขุนทองแก้วเจ้าขาแก้วเจ้าขาเรียนจบพระไตรปิฎกกิเลส ต, ตัวเดียวหนังไม่ถลอกเลย เห็นแต่อย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองนี่แกเอาจีนเอาจังแน่แล้วคนนี้ไม่นานด้วยนะเมื่อมีผู้แนะจุดสำคัญนี้แล้วมันจะพุ่งไม่รูปไม่คลาเมื่อมีผู้แนะความที่ดำเนินมาแล้วก็ว่าถูกต้องแล้วก็หายห่วงจุดไหนที่กำลังดำเนินก็ชี้บอก ทางนี้ก็พุ่งพุ่งเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันนะคนไม่เคยกับศาสนาเวลามาปฏิบัติเป็นขึ้นนี่ละความรู้จากภาคปฏิบัติกระจายอย่างนี้เองความรู้ในหนังสือที่ท่านจดจารึกมาในตารับตําราในพระไตรปิฎกพอประมาณเท่านั้นนะมันไม่ซอกแทกซิกแซก กระจายไปทุกแห่งทุกหนเหมือนภาคปฏิบัติเรียกว่าทั่วท้องฟ้ามหาสมุดเลย<ก>นับแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นต้นมาสตรีท่านนี้ ยังไม่มีโอกาสเข้ากราบหลวงตาอีกเลยจนกระทั่งต้นเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2542ณสวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสายสามกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ากราบหลวงตาและสนทนาธรรมอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาสนทนาเล็กน้อยดังนี้ เวลานี้พิจารณาอะไรอยู่สตรีนักภาวนาการปฏิบัติของลูกอาจจะไม่ได้ถูกคร่องรอยที่ลวงตาสอนให้พิจารณา น, นะเจ้าคะ่ะเพราะว่าการปฏิบัติของลูกตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนมีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตใช้วิธีนี้อย่างเดียวเจ้าคะ่ะ ตามรักษาจิตนี้ลูกไม่ต้องกลับมาพิจารณาเลยทุกขณะนี้พอลูกไล่ไปเรื่อยๆเอาให้อยู่กับปัจจุบันธรรมชัดๆเลยอยู่กับจิตว่างอยู่กับปัจจุบันธรรมก็จะเห็นความเกิดดับของสัญญาความเกิดดับของสิ่งที่รู้ทั้งหมดรู้แล้วดับถ้ารู้แล้วไม่หลงรู้แล้วดับหมด พอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ชัดขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ตัวตนใดๆทั้งสิ้นมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับเท่านั้นเองเท่านั้นหลังจากช่วงนั้นแล้วก็เลิกถูกต้มเลิกถูกจิตต้มอีกต่อไปดวงตามันต้มยังไง สตรีนักภาวนาถ้าเมื่อก่อนนี้การที่จะระมัดระวังเฝ้ารักษาจิตนี้พ้องสติตามดูตามรู้กิเลสถึงจะไม่เกิดนะเจ้าคะแต่ถ้ามีสติสัมปัญญาแล้วรู้เท่าทันสัญญาสติตั้งมั่นไม่หลงอารมณ์ทุกอย่างดับหมดดับหมดเพราะอย่างนั้น ถ้าครั้งไหนเกิดเพลินเผลอไปแล้วหลงอารมณ์ไปคว้าอารมณ์ก็ปล่อยได้เลยเพราะว่ารู้ว่ามันงู้ไปแล้วเพราะฉะนั้นลูกกาพรายงานหลวงตาว่าการรักษาจิตของลูกนี้ไม่ได้พิจารณาเลยเจ้าคะ่ะแต่การรู้ที่เห็นขึ้นเป็นขึ้นในขณะ ที่อยู่กับปัจจุบันธรรมตลอดเวลาแล้วทุกๆวันนี้สิ่งที่ปฏิบัติอยู่ของลูปนี้แม้แต่ฟังหลวงตาแม้จะอยู่ในหมู่ผู้คนลูกเหมือนกับมีตาอีกตาหนึ่งเห็นจิตตลอดเวลาเฝ้าดูจิตตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาจนเข้านอนฉะนั้นการภาวนาของลูปนี้ ความเผลอเพลินในการทำงานมีบ้างที่จิตส่งออกแต่นอกนั้นแล้วจิตจะอยู่รักษาข้างในหมดจะไม่ออกไปเพ่นพ่านเพราะรู้ดีรู้เช่นเห็นชาติหมดว่ามันออกไปมันเอามาแต่อะไรแล้วเข็ดหลาบเบื่อหน่ายเจ้าคะ่ะเพราะฉะนั้นวันทั้งวัน จะมีสติตามรักษาจิตโดยไม่ต้องมีใครมาบอกเลยหลวงตาเข้าใจเอาอยู่จุดนั้นล่ะนะเราจะไม่เร่งไม่บอกอะไรละให้เอาปัจจุบันนี้เป็นหลักนะเร่งก็เร่งอยู่ในปัจจุบันไม่เร่งก็อยู่ในปัจจุบันไม่นอกปัจจุบันแล้วไม่ผิดเข้าใจไหมให้อยู่ในปัจจุบัน จิตในลักษณะในธรรมชาตินี้เป็นอย่างนั้นคุณก็มีครอบครัวย่าเรือนมีงานมีการอยู่จึงไม่ค่อยเร่งให้ปล่อยให้เจ้าของเร่งเจ้าของเองเข้าใจถ้าเป็นนักบวชนักปฏิบัติแล้วไล่ตีหลงทิศไปเลยมันเป็นขั้นเป็นตอนสตรีนักภาวนา แต่จิตที่ดูเหมือนไม่เร่งแต่มันก็ไม่ยอมปล่อยนะหลวงตาเราเข้าใจพูดอย่างนี้เข้าใจทันทีทันทีเลยยังบอกให้ไปตามหลักธรรมชาติปัจจุบันปัจจุบันอย่างนั้นหละมันไม่มีอะไรหลักมันอยู่กับปัจจุบันนั้นหมดเลยพอเรียนจบปัจจุบันแล้วหละไม่ต้องถามแล้ว ปัญหาอะไรไม่มีละทีนี้เอาละดูปัจจุบันของเจ้าของเป็นยังไงเท่านั้นละสตรีนักภาวนาถ้ามีคนถามว่าลูกจะถามอะไรหุงตาลูกก็ไม่รู้จะถามอะไรเพราะว่าลูกเฝ้าแต่ปัจจุบันตลอดเวลาถ้าอยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่ เกิดดับก็ามาตลอดสายเจ้าค่ะหลวงตาก็อย่างนั้นแล้วนี่ก็ไม่ถามอะไรเพราะงั้นจึงว่าปัจจุบันนี้พิจรารณาอย่างไงเท่านั้นเองน่ก็เข้าปัจจุบันแล้วใช่ไหมละ่ะถามตรงนั้นแหละตรงปัจจุบันสําคัญมากนี้มันลงปัจจุบันแล้วสตรีนักภาวนา เมื่อก่อนลูกตื่นตีสามนะเจ้าคะ่ะรู้สึกว่าเวลามันน้อยไปเดี๋ยวนี้ลูกขยับมาเป็นตีสองครึ่งทุกวันเจ้าคะ่ะลูกเดินจงกรมทุกวันลูกจะอยู่กับปัจจุบันเจ้าคะ่ะอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันไม่มีความกลัวตายไม่มีความกลัวอะไรเลยเพราะรู้ว่าทุกๆขณะจิต ถ้าตายลงในขณะใดนี่มันอยู่พืบแล้วเจ้าค่ะมันไม่มีสิทธิ์เลยที่จะหลุดไปไหนเจ้าค่ะ นาชาวจันทบรุรีนักภาวนากลุ่มนี้รับสื่อธรรมะโดยเขียนจดหมายกราบเรียนถามปัญหาข้อข้องใจ เรื่องภาวนาจากหลวงตาเสมอเสมอและท่านเองก็เมตตาให้การอบรมทางจดหมายอย่างต่อเนื่องตลอดมาเฉพาะที่รวบรวมได้ตั้งแต่วันที่9มีนาคม2499จนกระทั่ง14พฤศจิกายน2509 มีจำนวนถึงห้าสิบเจ็ดฉบับส่วนมากท่านตอบที่วัดป่าบ้านตาดมีนอกเหนือนั่นบ้างเป็นบางครั้งที่ท่านลงไปทุระที่กรุงเทพหัวจดหมายจึงเป็นที่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทศสรินพระวาส ตาตอบฉบับที่39วัดป่าบ้านตาดอุดรหกกันยายน2505การภาวนาจะดีหรือไม่ดีละเอียดหรือไม่ละเอียดจงถือเป็นขิจจำเป็นประจำอิริยาบถและประจำวันเราเป็นสิทธิพระตถาคต บุกหน้าเรื่อยไปไม่ต้องถอยหลังความตายไม่เคยไว้หน้าคนและถอยหลังให้ผู้ใดได้เยาะเย้ยเขาจงตั้งหน้ารับความตายด้วยความเพียรของเราจะมีชัยชนะไปเป็นลำดับทางอื่นไม่มีท่าจะสู้ความตายได้ใครก็ใครเถอะถ้าเว้นความดีแล้ว ต้องมอพราบต่อเขาแน่โลกเราทุกคนได้เคยผ่านมาแล้วความสุขทุกข์ในทางโลกใครโกหกกันไม่ได้เพราะใครก็มีเครื่องรับอายตนะเหมือนกันและสุขทุกข์จะต้องผ่านอายตนะด้วยกันรู้ด้วยกันเห็นสุขทุกข์ด้วยกัน ที่สุดของสุขทุกข์ก็แค่ตายเท่านั้นไม่มีใครสามารถเลยไปได้ถ้าผู้มีบุญอันได้สร้างไว้แล้วผู้นั้นแหละจะมีโอกาสได้เห็นสุขแลทุกข์เยี่ยมกว่าโลกเขาเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปจนสามารถข้ามแดนแห่งทุกขถึงบรมสุขคือพระนิพพานได้แน่ ฉะนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นทางข้ามแดนแห่งทุกข์ได้โดยสวัสดีขอได้พากันอุตสาหพยายามตามรอยพระพุทธเจ้าเสด็จไปจะเห็นแดนแห่งความอัศจรรย์ในวันหนึ่งแน่เอวัง วาดหญิงผู้มีโรครายครวาดหญิงผู้นี้มีอายุ38ปีมีบุตรหญิงสองคนคนโตอายุส3าปีคนเล็กอายุเก้าปีได้เคยมากราบนมัส ก, การหลวงตา ที่วัดป่าบ้านตาดหลายครั้งและเธอได้เขียนจุดหมายมากราเพียนปรึกษาหาหลักใจเพื่อให้เกิดกําลังใจในการปฏิบัติธรรมท่ามกลางการถูกรุมเร้าอย่างหนักด้วยโรคภัยดังนี้ ได้เคยมากราบนามัสการฟังธรรมจากท่านอาจารย์และเมื่อวันที่18ธันวาคม2526อันเป็นวันเปิดตึกรวมเมตตามหาคุณโรงพยาบาลอุดรก็ได้มาร่วมในพิธีลูกดีใจมากที่ได้มีโอกาสโดยสารขบวนการสร้างกุศลกับหลวงตา ที่ลูกกราบเคารพนบไว้เป็นครูอาจารย์ด้วยดวงใจแท้จริงมาบัดนี้ลูกได้รับทุกขเวทนาจากโรคชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างจะร้ายคือภาษาแพทย์เรียกว่าโรคเลือดเม็ดเลือดขาวมีจำนวนน้อยลงต่อมาในวันที่นี้เอง ก็มีอาการผิดปกติคือมีเลือดออกทางช่องจมูกโดยผิดปกติคือออกวันหนึ่งหลายหนุนและหยุดยากจึงต้องไปพบแพทย์ทางเลือดเจาะตรวจนับเม็ดเลือดดูปรากฏว่าเม็ดเลือดขาวลดลงผิดปกติขณะนี้มีอาการเหนื่อยหอบเพลียราวกับคนแก่อายุ80ปี จะเดินจะยืนจะทำอะไรแม้แต่จะพูดก็เหนื่อยลูกคิดถึงท่านและทำเป็นที่สุดได้อาศัยหนังสือแว่นดวงใจกับทำชุดเตรียมพร้อมเป็นหลักยึดในใจขณะนี้เพราะได้ทราบอยู่ตลอดมาว่าคนเราไม่พ้นตายแต่ไม่มีใครอยากตาย ลูกเอารูปหลวงตาไว้บูชาพร้อมกับทรรมสมาธิภาวนาอบรมจิตให้สงบอยู่ขณะ น, นี้ลูกกราบเรียนหลวงตาให้ทราบทุกอย่างว่าในหัวใจนี้คิดอะไรปรารถนาอะไรลาบยศเงินทองสรรเสริญไม่อาจช่วยใจให้สงบได้ดังที่ท่านพร่ำสอน ริงแท้แน่เหลือเกินถ้าขณะนี้ลูกไม่ได้พบพระไม่ได้คติธรรมจากท่านแน่นอนการเจ็บป่วยครั้งนี้ย่อมนำมาซึ่งความวุ่นวายโศกเศร้าและทุกทรมานอาการที่ลูกเป็นนี้วงการแพทย์ไม่อาจให้ยาใดบำบัดได้ลูกได้ทำมาโอสถเท่านั้นมาช่วยบำบัด นณที่เขียนจดหมายนี้อาการที่ทราบว่าแย่ลงก็คือเหนื่อยหายใจขัดอึดอัดในร่างกายเพลียแต่เมื่อได้ทำสมาธิภาวนาพุทโธทั้งเวลานอนพักแล้วจะพอมีกำลังบ้างคิดถึงธรรมจากปากท่านอาจารย์เทศให้ฟังเหลือเกินใครได้ยินได้ฟังอีก การเดินทางไกลๆเป็นอุปสรรคต่อสังขารขณะนี้มากถ้ามาได้จะพยายามหาธรรมเพื่อบำรุงใจให้เข้มแข็งสู้กับมรณะภัยให้ได้ยามป่วยนี้ลูกเห็นคุณค่าของโรงพยาบาลยิ่งคนจนป่วยมันแย่กว่าคนมีป่วยแน่นอนคนมี ก็มีสถานบำบัดทันสมัยหมอดียาดีแต่โรคสมัยใหม่ก็เร็วจนตามไม่ทันดังที่ลูกกำลังประสบอยู่แม้มีสมบัติล้นฟ้าก็มิอาจจะนำพายาหรือหมอใดมารักษาไข้หนักๆให้หายหรือให้คนรอดตายได้ ขอกราบเท้าท่านอาจารย์ที่ลูกเคารพสูงยิ่งมาด้วยดวงใจระลึกในธรรมและระลึกในสังขังสรรนังขัฉามิตลอดมาและตลอดไปตราบเท่าชีวิตลูกพยายามตัดห่วงคือบุตรและพ่อบ้านหากแต่เจ้าความสงสารมันคอยตีอยู่เสมอ การป่วยครั้งนี้ถ้าไม่อาจจะหยุดการลดลงของเม็ดเลือดขาวได้ก็หมดทางรักษาขอเมตตาจากท่านช่วยแนะนำให้ลูกได้ลดการสงสารกับความห่วงลงให้หมดด้วยเถิดพระคุณเจ้าขอพึ่งธรรมของพระบรมศาสดาเพียงทางเดียวจะอบรมจิตให้สงบได้ ขอกราบเท้านมัสการท่านอาจารย์ด้วยความเคารพสุดดวงจิตดวงใจโล่ อ, ลอขอท่านอาจารย์โปรดรักษาสุขภาพท่านด้วยเจ้าค่ะ จดหมายทราบแล้วด้วยความสงสารมากกรุญายุทธ์ธรรมเป็นเส้นชีวิตทั้งเป็นทั้งตายยายึดสังขารเป็นเส้นชีวิตหวังพึ่งเขาชายเดียวโดยไม่มีคติธรรมเข้าแทรกผู้ยังปกติกับผู้ที่เจ็บป่วยก็คือผู้จะเจ็บป่วยและตายด้วยกันทั้งโลกเป็นเพียงก่อน และหลังกันบ้างเท่านั้นจงนำปัญญาออกกลางเป็นตาข่ายรอบสังขารไว้เสียแต่บัดนี้แม้ถึงคราวจิตที่มีปัญญาย่อมไม่มัวกอดสังขารที่กำลังจะพังอยู่แล้วเป็นแน่จะรักษาตัวได้ด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยธรรมะในหนังสือทุกเล่ม บอกความจริงล้วนๆไว้แล้วกรุณาอ่านตรองและย้อนดูจิต ด, ดวงไม่เคยตายนี้ว่ายังกลัวตายกับสังขารอันเป็นสิ่งแตกตายอยู่อย่างไม่มองดูธรรมบ้างหรืออย่างไรใจไม่เคยตายทำไม่เคยตายเป็นคู่เคียงกันแต่สังขารแล้ว แตกตายทั้งสิ้นกรุณาพิจารณาแยกจิตดวงไม่ตายออกอย่าให้กอดกองเพลิงคือสังขารร่างกายที่กำลังก้าวหน้าหาความตายอยู่ทุกนาทีเดือนปีกรุณาทำใจให้สงบด้วยทำบทใดบาทใดก็ได้ใจเราไม่ได้ป่วยไข้กับสังขารร่างกาย แต่อย่าคว้าเอาสังขารมาเป็นใจใจเป็นสังขารจะแผดเผาใจให้วุ่นวายไปตามจับให้มั่นในคำว่าใจไม่เคยตายใจไม่มีป่าช้าเหมือนร่างกายใจเป็นอมตะโดยหลักธรรมชาติแม้ยังมีกิเลสอยู่เป็นแต่ท่องเที่ยวในภพต่างๆเท่านั้น ใจเป็นสมบัติของเราแท้จงรักษาใจให้สงบเย็นอยู่โดยลำพังในท่ามกลางขันที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่ขณะนี้เอาละเหนื่อยขันแล้วขอให้คุณได้ใช้ชนะมารในขัน จากความเมตตาที่ท่านแสดงธรรมให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการการเยียวยาทางด้านจิตใจและเป็นธรรมโอสถให้รู้จักพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บทำให้สามารถรวมเล่มอยู่ในหนังสือทำชุดเตรียมพร้อมซึ่งเนื้อหา เหมาะกับผู้ปฏิบัติธรรมจริงจังผู้ปฏิบัติธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นผู้ต้องการต่อสู้กับทุกขเวทนาจากโรคภัยไข้เจ็บหรือผู้ต้องการฝึกจิตเพื่อเตรียมสู้และเตรียมรับมรณะภัย